สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิเสียาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่265ร้เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่40โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้ามหลายในการวันนี้พี่น้องครับต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้ทราบความจริงไปแล้วว่าการที่เราได้อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนั้นก็ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นความต้องการฝ่ายร่างกายของเรานะครับพี่น้องครับเรามาดูต่อนะครับในเรื่องของคนที่เรียกว่ารู้จักกับพระเจ้าก็คือพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์นั้นพระเจ้านั้นถือว่าเราเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้านั้นจะรับเลี้ยงดูเหมือนกับในพระธรรมสะดุดดีที่กล่าวว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นคนชอบทาถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพพี่านครับทรัพยากรในโลกนี้เมื่อเรามองไปแล้วมีความรู้สึกว่ามันขาดแคลนในโลกของเรานั้นก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายการต่อสู้ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศกับประเทศ การเมืองที่ไม่ลงตัวการกระดานอาหารเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าประเด็นที่สําคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าแผ่นดินที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นไม่สามารถจัดสรรอาหารให้กับมนุษย์ได้พี่น้องไหมครับว่าในประเทศอินเดียนั้นมีแหล่งอาหารที่สามารถเลี้ยงดูคนทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึงนายกรัฐมนตรีอินเดียได้กล่าวอย่างนั้นและไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับแหล่งอาหารนี้ยังสามารถส่งออก สองในสามส่วนของผลผลิตได้ด้วยพี่น้องครับถ้าเราดูทั้งโลกทั้งใบนะครับเราจะพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากเราพบว่าพื้นที่เพาะปลูกในโลกนี้มีเพียงสิบห้าเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองในแต่ละปีก็ใช้เพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ก็คือประมาณเจ็ดเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นของทั้งโลกก็เลี้ยงประชากรทั้งโลกได้ ปัญหาของเรานั้นไม่ได้เกิดจากการขาดทรัพยากรหรือเกิดจากที่ว่าข้าวในนานะครับปลาในาน้ําศินในดินปัญหาของเรานนั้นไม่ได้เกิดจากทรัพยากรที่ขาดแคลนครับแต่ปัญหาของเราเกิดจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าะสังเกตพูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมแต่ว่าพี่น้องลองฟังเหตุผลต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับทรัพยากรในโลกนี้มีอยู่เยอะแยะมากมาย สิ่งที่มาตัดทอนทรัพยากรเหล่านี้ไปก็คือผลที่เกิดขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณครับผลที่เกิดขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณของผู้คนที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเขาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นอย่างเปล่าประโยชน์เขาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นอย่างเห็นแก่ตัวเขากอบโกยทรัพยากรและทํำลายทรัพยากรในโลกนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่ถ้าหากว่าผู้คนเหล่านั้นได้มารู้จักกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะธนุบํารุง เลี้ยงเขาทั้งหลายเหมือนอย่างในสุดิบทที่ิบสาเข้า18บอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยกู้วิญญาณเขาจากเงามัจุราชและให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ในเวลากันดาลอาหารพี่น้องครับอันนี้ชัดเจนนะครับในเวลากันดารอาหารพี่น้องจะเห็นนะครับว่า สิ่งที่มาตัดตอนทรัพยากรเหล่านั้นก็คือคนที่ไม่ชอบทรคนหรือคนธรรมนั่นเองพี่น้องครับสุภาษิตครับบทที่สามข้อที่ห้าและข้อที่หกได้กล่าวว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทาให้วิถีของเจ้าราบรื่นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบอกเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเล่าองุนพี่น้องครับหลักการในเพิ่มพีเดิมมีอยู่แล้วและหลักการในเพิ่มพีใหม่ก็มีเช่นเดียวกันครับมัธยมบทที่เ็ดข้อเจ็ดพี่น้องคงจําได้นะครับจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านพี่น้องครับในข้อที่แปบอกว่าเพราะว่าผู้ใดหรือทุกคน ที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาสิ่งที่พิเอชูทรงต้องการจะกล่าวถึงอย่างแท้จริงนั้นเราจะเห็นได้บอกว่าในพวกท่านในข้อ9้าถึงข้อสิอนะครับในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านหลายเองผู้เป็นคนชอบผู้เป็นคนบาปนั้นยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพรงเห็นไหมครับพี่น้องครับเพิ่มพียังบอกต่อไปนะครับ <im ple k> ว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินห ร, รหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มแต่จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขอ ง, งองค์กรแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พี่น้องครับมีบางครั้งนะครับที่การจัดเตรียมอาหารที่อยู่อาศัย เรื่องนุ่งห่มเป็นมาจากการกระทําอันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าโดยปกติแล้วข้าพเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของประชากรของพระองค์โดยผ่านทางประชากรคนอื่นๆของพระองค์พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งประโยคนี้สําคัญมากนะครับก็เป็นหลักการที่ถูกต้องโดยปกติแล้วพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของประชากรของพระองค์โดยผ่าน ทางประชากรคนอื่นๆของพระองค์บุตรของพระเจ้าควรจะมีความคิดสูงส่งในการมองเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็จะไม่ช่วยเหลือกันเราก็จะไม่พยายามตอบสนองต่อความต้องการของประชากรของพระองค์พี่น้องครับพวกเราเป็นท่อพระพรครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นทานแห่งพระพร ที่จะนําพระพรนําอาหารนําความต้องการฝ่ร่างกายไปถึงคนอื่นๆ อ, อีกมากมายเราให้คนอื่นโดยไม่สแสวงห า, าผลประโยชน์ของตัวเองครับแต่เราสแสวงหาเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นยากรอบบทที่2ข้อ16นะครับพูดชัดเจนครับถ้ามีคนที่ขัดสน เครื่องนุ่งห่มและอาหารประจําวันมาคุณคุณจะตบหลังเขาว่เบาๆแล้วกล่าวว่าพี่น้องเอ้ยผมหวังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะตอบสนองความต้องการของคุณผมจะพิถีพิฐานเผื่อนะพี่น้องครับเป็นที่น่าสงสัยว่าเรามีชีวิตใหม่จริงๆหรือเปล่าและในหนึ่งยอนข้อสามได้บอกว่าถ้ามีพี่น้องขัดสนมาหาคุณและคุณยังใจจืดใจดําไม่สงเคราะห์เขาความรักของพระเจ้าจะดํารงอยู่ในผู้นั้น ได้อย่างไรพี่น้องครับเมื่อถึงตรงนี้แล้วผมเองก็ต้องกลับใจครับหลายๆลายครั้งเราใจแข็งไม่ยอมช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ควรเท่าที่กำลังที่เราจะช่วยได้พี่น้องครับความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ถ้าเรายังใจจืดใจดาไม่สงเคราะห์เขาเมื่อมีพี่น้องขัดสนมาหาเราพี่น้องครับ ลรากลับมาดูนะครับว่าโลกของเราแท้จริงแล้วมีทรัพยากรนะครับมากมายที่พอจะแบ่งปันกันได้เราดูในภูมิภาคอื่นๆของโลกที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของพระเจ้าไม่มีพื้นฐานในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่โลกคริสเตียนเราจะพบ เห็นชีวิตของมนุษย์ที่ด้อยคุณค่าเราจะเห็นการเกิดการกันดานอาหารเราจะเห็นความยากจนข้นแคนแต่บรรดาประเทศที่ได้รับรู้คําสอนของคริสเตียนเขาจะเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์อย่างสูงในฐานะที่มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองบางท่านอาจจะมีข้อโต้แยง้งแต่เป็นไปไรครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็น อย่างหนึ่งที่มีเหตุมีผลพอสมควรแน่นอนครับมีบางกรณีที่ไม่ใช่เป็นไปตามนี้แต่โดยทั่วไปแล้วภาพเหล่านี้จะปรากฏอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องครับดูประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปที่มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าเขาจะสอนนะครับให้ผู้คนเขานั้นเห็นคุณค่าของชีวิตตั้งแต่เด็กนะครับมาจนทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่ และวัยชาราทุกชีวิตมีคุณค่าในสายตาของประเทศชาติบ้านเมืองมีความเสมอภาคมีความห่วงใยในเรื่องของค่าแรงงานขั้นต่ามีกฎหมายที่ออกมาเพื่อจะไม่ให้ใช้แรงงานเด็กยังรับโอกาสการทำงานการเสียภาษีการรักษากฎหมายสวัสดิการต่างๆรวมทั้ง การเยียวยารักษาโรคด้วยพี่น้องครับการให้คุณค่าแก่ชีวิตนี้เราได้มาจากไหนครับเราได้มาจากพระเจ้าครับเราได้มาจากการทูลขอว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงหลายในการวันนี้ในยะหนึ่งก็คือกับข้าพงทั้งหลายก็คือพวกข้าพงหลายไม่ไม่ได้หมายความว่าข้าพราะองค์คนเดียวแต่หมายความรวมถึงคนอื่นๆด้วยพี่น้องครับเมื่อเรากิน นะครับให้เราขอบคุณพระเจ้าทุกคํำเราก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อสําหรับผู้ที่หิวโหวยผู้ที่อยู่ในการกันดันอาหารอันเนื่องจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องของคนอธรรมอันเนื่องจากความบาปของเหตุแก่ตัวของคนบางกลุ่มพี่น้องครับเราจะต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ในการที่เราจะเข้าสู่สัปดาห์ศักสิทธ์เป็นวันที่2ครับก็คือวันจันทร์ในค่ำคืนวันนี้ที่คิดจากวัฒนาเราจะมีการศึกษาพุอมพีนะครับเริ่มหนึ่งทุ่มเลิก2อทุ่มครึ่งเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านหากมีเวลาหรือจัดเวลาได้เรียนเชิญนะครับขอพระเจ้าอวยพรอาเมน